ตรงพมลัาหวังมากอลยใช่ไหมศรัทธาก็มีกําลังไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มีกําลังฉันทาวิริยะจิตตปัญญาก็มีกําลังเป็นเป็นช้างที่มีกําลังแล้วแล้วกลัวสงครามไหมกลัวการลบไหมไม่กลัวราคะไม่กลัวโทสะไม่กลัวโมหะแต่ตอนนี้ยังกลัวนะแต่จริงๆไม่กลัวนะไม่กลัวหรอกุสภาพใจที่เป็นใบกบุญอย่างนี้กลัวได้ไงใช่ไหมก็ล้ปรุงแต่งจิตประดับจิตได้แล้ว จิตตังรังจิตตรังกาจิตตบริขาลังน่จิตตารังการังจิตตบริขาลังนี่เขาเรียกประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตแล้วชำนาญแล้วปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลสมัยก่อนปรุงแต่งจิตที่เป็นบาปจนชำนาญแต่ตอนนี้ปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลชำนาญมากชำนาญจนเป็นช้างพญาฉัตรทันจนเป็นม้าวลาหกเหาะได้ด้วยมีฤทธิ์ด้วยม้าประเภทนี้นะนั่นแหละ นี่จิตแข็งแกร่งมากในด้านของกุศลพร้อมที่จะเดินก็สู่มหาทานคือศีลแล้วก็เป็นฐานของภาวนาทั้งสมถาวิปัสนาถ้าอย่างนี้ก็ใจก็น้อมหาพระนิพพานด้วยความเ อ, อิบอิ่มแล้วฉันบอกนิพพานและมรรคเนี่ยอริยมรรคเนี่ยสัตว์ทั้งหลายพึงยังใจให้ยินดีนะที่ยังไม่ถึงเนี่ยทําใจให้ยินดีก่อนว่าน้อมใจให้ยินดีนะเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้งนั้นขั้นตอนเนี่ยคาวาดเขา พู้ที่าสอนแบบนี้คารวาที่บริโภกวการพระเจ้าจะให้เดินไปลักษณะอย่างนี้แม้แม้พระก็ยังต้องทําแบบนี้เออแต่พระก็ทำยังฐานะของบรรพชิตเท่าพระก็ต้องใครควรอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกอันนี้นหลักปฏิบัติโดยแท้เลยนะเนี่ยเขาเรียกหลักปฏิบัติในทานในศีลท่านใช้คําว่าข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในทานในกุศลในศีลกุศลเพื่อก้าวสู่ภาวนากุศลนี่เป็นเครียกข้อปฏิบัติมีข้อปฏิบัติแต่บอกแค่นี้เราท่านทั้งหลายต้องไปเดินนะ เดินว่าก็ใครควรไปวิปคิดไปวิจัยนะตรงเนี้ยทำไมข้อมูลตรงเนี้ยมันอาจจะล้มลุกคุกคานใหม่ๆอย่าไปกังวล น, นั้นใครควรต่อที่เขาเรียกหลักปฏิบัติเขาเรียกข้อปฏิบัติเขาเรียกข้อปฏิบัติในทานในศีลเป็นต้นนะก็คือทานศีลภาวนาก็คือถ้าพระก็คือศีลสมาธิปัญญานันี่ก็นี่คือข้อปฏิบัติแล้วต่อไปก็ดูในชั้นของกุศลต่อในชั้นการเจริญกุศลต่อว่า ในมหากุศลดังกล่าวแล้วที่ใช้คําว่าพิทเรตกะกรยานีปาปาจิตตังนิวรเ ย, ยเนี่ยพึงรีบเร่งกระทําความดีและก็ป้องกันจิตจากความชั่วเนี่ยโดยสภาวธรรมก็ได้แก่มหากุศลมหากุสลนจิตุบาทนั้นนะ่ะก็เรียกลักษณะของกุศุนนั้นนะเป็นจิตที่ไม่มีโทษและก็ให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีงามนั่นแหละทีนี้ในลักษณะของกุศลมีวิบากอันไม่มีโทษเป็นลักษณะ มีการกำจัดบาปอากุศลเป็นกิจเป็นหน้าที่ดังกล่าวความผ่องแพ้วความสะอาดนี่นแเป็นอาการปรากฏมีโยนิโสมนัสิกานี่นแหละเป็นเหตุใกล้ชิดนะทีนี้ถ้ามองอย่างนี้อีกนง ย, ยะหนึ่งเราก็จะเห็นบอกว่ากุศลมีไม่มีโทษเป็นลักษณะบางครั้งเนี่ยโอทานะเนี่ยโวทานะคือความผ่องแพ้วเนี่ยกับกลายมาเป็นกิจก็ได้บางไงเอาความผ่องแพ้วเป็นกิจก็ได้ท่านจะกล่าวเป็นสองไง มีวิบากที่น่ายินดีเป็นอาการปรากฏใช่ไหมมีความสมบูรณ์แห่งพพชาติและความสิ้นจากพพชาติได้เป็นอาการปรากฏก็ได้อย่างนี้เลหรืออีกเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมถ้าอันนี้เป็นของทานากุศลเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเป็นของศีลกุศลกับความสะอาดกายวาจาใจาเป็นความปรากฏอย่างนี้ก็ได้แต่นี้เขาเรียกว่าเป็นวิบากที่น่ายินดีหมายความว่าได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่น่ายินดีได้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่ง